ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่รมประปุธิยานก็มังนำเสนอพระพุทธอุทานที่คล้ายๆกับตอบคำถามของพรามมโหงกชาตที่ท่านกล่าวถามว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพรามโดยเหตุเพียงเท่าไรก็แลทํทำเหาใดทำบุคคลให้เป็นพราม พระบุมีพระพาคเจ้ารับสั่งในรูปของอุทานคือไม่ตอบคำถามโดยตรงแต่ทรงเปล่งขึ้นด้วยโสมนัสยานมีข้อความว่าธร ร, รามเหล่าใดมีบาประธรรมอร่อยเสียแล้วไม่มีกิเลสเป็นเครื่องคู่คนอื่นก็คือไม่มีกิเลสดดน้ำขวด รือการที่บุคคลมีกิเลสอยู่ภายในนั้นย่อมแสดงให้เห็นถึงอาหาังการคือความเป็นตัวตนและมังา ง, งการคือความเป็นของของตนกว่าจะรู้สึกมานะกระด้างขึ้นเป็นตน้นเรามองคนอื่นดูความดูถูกดูหมิน่นไม่ยอมรับนับถือสถานะหรือจะกดสถานะของเขาให้ต่ำลง จช้คำพูดคำจาในลักษณะของการขมขู่คือกลาวโดยสรุปว่ากิเลสที่เป็นดุดน้ำฝาดคือมันจับที่เสื้อผ้าอะไรแล้วก็ติดอยู่นานแล้วก็ยากต่อการที่จะชำระก็แสดงอาการออกมาในรูปของความไม่สงบในด้านกายด้านวาจาเพราะว่าจิตใจมากด้วยกิเลส ในที่นี้ก็สรงยกตัวอย่างเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของพรามคนนั้นแหละว่าทมองในแง่ของธรรมะท่านก็ไม่ใจปรามเพราะว่ายังมีขนองวาจายอยู่แล้วข้อต่อไปก็ทรงแสดงสถานะที่เห็นชัดคือพิสูจน์ได้ตลอดว่ามีตนอันสํารวมดีแล้ว การสำรวมระวังที่ทรงจำแนกแสดงไว้นั้นเป็นการแสดงหลักการปฏิบัติด้วยแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงความมีอยู่แห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยแต่สมัยพระพุทธเจ้าเองนั้นเป็นปกติวิสัยคือเป็นของทรงเป็นอย่างนั้นเองก็งมีคนก็กล่าวถึงพระพุทธเจ้าในลักษณะต่าง สันต์กายโยมีกายสงบสันตะวาโจ ο, มีวาจาสงบสันต์มโนโมีวาจาสงบเป็นตาทิโนโคือคงที่ไม่วันไหวไปตามกระแสะอารมณ์ที่มากระทบเป็นต้นนั่นนะครับคือปริยัตยที่มีการยกกล่องสรรเสริญต่อพุทธลักษณะนั้น คนบางคนแม่เริ่มนับถือพระพุทธศาสนายอย่างเช่น่านุบาุบาลีฤห บ, บดีมาด้วยหวังที่จะโต้อตอบผักล้างวาทะกับพระพุทธเจ้าแล้วคาดหมายว่าพระพุทธเจ้าจะภายแพ้แล้วก็ยอมเป็นศิษย์ของท่านนิคร น, นาจบุตร แต่เมื่อได้สนทนากันไประยะสั้นๆก็บรรลุมรนลเป็นประสดับบันได้มองเห็นพระพุทธคุณกว้างใหญ่ไพยศาลคือพูดรวดเดียวนะออกไปเป็นร้อยข้อแล้วก็พูดเป็นคำฉันด้วยาะความดีงามของคนเนี่ยพูดยังไงก็ไม่มีวันหมดสิน้นอย่างพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็เรียกว่า เราไม่มีปากมากพอต่อการบรรยายให้ตลอดเรื่องว่าทรงมีพระคุณยังไงบ้างเพราะหลักการเหล่านี้ที่จริงถ้าเรามองให้ดีแล้วก็คือสะท้อนธรรมะแต่ของพระองค์เป็นอัตโนมัติคือทรงเป็นอย่างนั้นเองเป็นปกติวิสัยเป็นผู้คงที่แต่เมื่อเราศึกษาเพื่อประพื่อปฏิบัติ ก็ขัดเกลืจิตใจตัวเองให้ประนีขึ้นไปมากบางน้อยบางก็ทำแต่จะสามารถทำได้เรส่งแสดงไว้เป็นห้าระดับด้วยกันระดับแรกก็คือศีลและสังวรสมรวมระดับศีลก็ตามสมควรแก่ฐานะของพุทธบริษัทอุบาสกบาจิกาของเรานั้นถ้าหากว่าอยู่ระดับศีลหน้าได้ก็บุญมากแล้ว แต่วันใดวันหนึ่งเกิดความมันขยันเกิดฉันท่อุตสาหะที่จะประพฤติปฏิบัติได้ประนี้จึงขึ้นก็ขึ้นไปสํารวมระวังระดบบับอุ่นสุเตือนวันหนึ่งก็คืนหนึ่งถ้ามีความพอใจยินดีที่ยิ่งกันไปกว่านั้นก็รักษาศีนนั้นแหละแต่รักษาตลอดก็เรียกว่าศีลแปดเป็นนิตย์เสียนกับว่านิตย์เสียนั้นก็ช่วงระยะเวลาเป็นยาวขึ้นนะนะอาจจะไม่ได้หมายถึงตลอดชีวิตก็ได้ แต่ว่าแทนที่จะรักษาวันหนึ่งก็คือหนึ่งมันรักษาอยู่ได้หลายๆวันประศินเกิดขาดขึ้นมาก็ต่อใหม่แล้วก็รักษาศินสองรอยยี่สิบเจ็ดอย่างของพระเนี่ยลุ่นสินสิบอย่างของสา ม, มเณรสีลสองร้อยเจ็ดข้ออย่างของพระแต่ว่าสินพระนี่แงของความเป็นจริงแล้วถ้านับจํานวนก็ไม่มีใครนับท้วนเลย คือมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเคยรวบรวมไว้แล้วจัง 2,800 กว่าข้อแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็อยู่ที่การสำรวมระวังก็ทำนองคล้ายๆกับไม่มีใครจำกฎหมายได้ทุกมัตร์หรอกแต่ก็ด้วยจิตสำนึกที่จะเป็นคนดีให้ได้เนี่ยก็ปฏิบัติปนเป็นคนดีอยู่ได้โดยไม่ สร้างปัญหาแก่ตนเองไม่สร้างปัญหาแก่บุคคลื่นเจ้่แนวการรักษาศีลเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนก้าวบันไดที่จะก้าวขึ้นไปถ้าเรียกศีลเป็นข้อๆเรียกว่าสิกขาบทตัว้วตะแปรก็คือก้าวของการศาึกษาหรือขั้นของการศาึกษาที่จะพัฒนาจิตใจของบุคคล ให้สามารถควบคุมอาการทางกายทางวาจาให้ประนีตึกซึ้งมา ก, กขึ้นแล้วคุมได้ตลอดก็พูดว่าคุมได้ทึ้งใจจนมีศีลปรากฏอยู่ที่ใจแล้วก็อาการทางกายทางวาจาก็เป็นปกติทีนี้ในภาคสนามเนี่ยแต่และข้อไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งนั้นะ ันก่อนก็มีอดีตอาจารย์สองสามีภัญยาก็มาที่กุฏิแล้วก็ประรบเรื่องข่าวคราวของพระที่วุอหวากันดูนะูะหนังสือพิมพ์ก็สนุกกับการเล่นข่าวในลักษณะนี้เลยก็พูดให้เขาฟังว่าคือถ้าเราไม่ยอมรับความจริงทั้งกระบวนนะฮะทั้งระบบ แล้วการเล็งผลเลิศการคาดการหวังเลิศหวังผลเลิศเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วในสุดเราก็จะปิดหวังตลอดชีวิตของเราเพราะที่จริงองค์กรบุคคลทั้งหลายในในชาติบ้านเมืองเราก็แล้วกันนะฮะล้วนแล้วแต่มาจากสถาบันครอบครัวแล้วมาอยู่ร่วมกันแต่องค์กรนั่งก็มีกฎเกณฑ์มีหลักการดีติการในการอยู่ร่วมกันอย่าบ้างกลางบ้างละเอียดบั่ง ชนลดสถาบันบุคคลคือตำรวจคือทหารคือครูอาจารย์คือแพทย์พยาบาลหรือพนกงาราชการทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีระเบียบวินัยเฉพาะกลุ่มของบุคคลเหล่านั้นถูกเดยจะถูกจะผิดเนี่ยบางทีก็ผิดเฉพาะวินัยแต่ไม่ผิดกฎหมายบางทีก็ผิดทั้งกฎหมายทั้งวินัยแล้วก็มีกฎเกณฑ์ในการพิพากษาตัดสินโทษของบุคคลเหล่านั้นก็ต้องวางเอาไว้ เพรเมื่อจบก็คือจบถ้าในกรณีวินัยล้วนๆเนี่ยหมายความว่าแต่และสถาบันบุคคลเมื่อถูกลงโทษทางวินัยแล้วเนี่ยสังคมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่พอมาถึงพระเป็นเรื่องที่แปลกคือวินัยของพระเนี่ยชาวบ้านไม่ได้ปฏิบัติแต่ตัวเองก็ปฏิบัติไม่ได้แต่ว่าถ้าพระไปปฏิบัติผิดแล้วก็ เอาเรื่องอาราวกันทีเดียวคล้ายๆกับพระทั้งหมดเป็นอย่างนั้นที่จริงการที่พระบางรูปเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ปกติไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรเลยนะฮะมันมีมาตั้งแต่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเนะนี่ยตอนพระพุทธเจ้าก็ส่งบัญญัติขึ้นไว้เป็นสิกขาบทคือลงโทษกำหนดโทษเอาไว้ปีจากนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้นปีจากนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ปีจากน้ก น, นต้องปฏิบัติอย่างน้น ไม่มีกฎเกณฑ์ของมันอย่างยกตัว อ, อย่างวันก่อนเนี่ยมีนังสืพิมพ์ฉบับหนึ่งพูดเรื่องห้ามาศกคือประราชิกนี่เขากำหนดไว้ด้วยห้ามาศกหมายความว่าทองคำน้ำหนักยี่สิบเมล็ดขับเปลือกหนึ่งมาศกก็เท่ากับห้าเมล็ดรับเปลือกห้ามาศกก็ห้าสี่ก็ยี่สิบ สีมเมล็ดก็เปิือกนะห้าเมาสดก็เท่ากับยี่สิบเมล็ดก็เปิือกก็ต้องเอาข้าเปิืกนั้นไปช่างเป็นเกณฑ์ที่ท่านวางไว้ตั้งแต่โบราณมานั่นแหละมันไม่ใช่ว่าพระวาวเองมันเป็นเกณฑ์ในการลงโทษตามพระวินัยทีนี้คําว่าหนึ่งบาทในภาษาที่สมัยหนังสือโนอกโกว่าหนังสือวินัยมุกเนี่ย เออสมัยนั้นก็ฟังได้นะ่ะทองมัคงขนาดนั้นนะ่ะแต่เราจะสังเกตว่าตัวเลขทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนกับมันเรื่อยแต่ในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกคือถ้ารักขโมยเราก็ให้สุดไปก็ตอนนั้นเดงไม่มานั่งตีค่ากันอยู่หรอกแต่ว่าเราไม่ค่อยจะใช้ความรู้ตลอดสายคือเป็นเด็งผลเลิศในลักษณะว่าพระเปิดปุ๊บติด ป, ปับ๊บคือบวชปั๊บบริสุทธิ์ปุ๊บอย่างนี้ มันไม่มีใครทําได้อ่ะนอกจากพระละหาันอาจจะหนึ่งในร้อยล้านก็จำไปนะครับถึงจะเกิดขึ้นมาได้สักกุงหนึ่งล้วโดยพื้นฐานความเป็นมาของพระเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติแบบก้าวกระโจนซึ่งสังคมไม่ได้มองประเด็นตรงนี้เราเห็นว่าถ้าเราเทียบกับอะไรเทียบกับตารวจตารวจก็มากกว่าพระนะหรือกับครูครูก็มากกว่าพระเอาแหละก็เทียบตํำรวจก็ได้ ตำรวจอย่างน้อยที่สุดก็หมอหกแล้วเมื่อก่อนเนี่ตยตำรวจจะเป็นมอสี่เนี่ยเป็นได้ไม่ใช่เป็นพสี่เนี่ยก็เป็นได้นะฮแล้วก็เป็นได้กันมาเรื่อตยตำรวจก็ปรับบุตมาเรื่อยพบุตข้างล่างนะล่าสุดที่เป็นผลตำรวจก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆจนเวลานี้ก็เรียกว่าระดับมอหกขึ้นแนละ้วแต่พระนี่เราไปกําหนดวิทยาฐานะอย่างนั้นไม่ได้ แล้วไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ที่จะไปกําหนดเขาคือศาสนาก็ของเขานะและศาสนานี่บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ไม่ได้จะไปขัดแย้งกับตัวพระธรรมวินัยเนี่ยเพราะถ้าเราส่วนใหญ่เนี่ยมาจากพื้นฐานปอสี่แต่นั้นเองแต่ไม่ใช่ทุกรูปคือเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ระดับปี่ปอกปเจ็ 7, เนี่ยแต่แต่นี่ ในริยะหลังมีเปอร์เซนต์ไม่เท่าไหร่ที่เรียกว่าจนถึงหมนหนึ่งจนถึงหมหกเนี่ยหรือปริญญาเนี่ยจะมีอยู่น้อยมากเด็กปสี่เนี่ยเกิดมาพร้อมกันในโลกนี้คนหนึ่งเรียนต่อคนหนึ่งออกบวดแล้วคนหนึ่งก็กระจายกันไปทำงานเป็นครูบ้างเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นพยาบาลบ้างเป็นทาหารบ้าง แล้วก็รักษาศีลไม่เกินห้าข้อแต่วันเด็กอันสี่นี่กระโจนทรวดึงไปรักษาศีลสิบข้อสองรอยเจ็ดข้อรักษาได้สมบูรณ์ก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วนะแล้วก็หกล้มหกลุกไปอย่างเงี้ยแต่ทั้งสอนให้สำรวมระวังแล้วก็มีเกณฑ์กำหนดมาตรฐานสูงสุดเอาไว้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยถือว่าเธอแพ้แล้วสู้ไม่ได้ออกจากสนามไป เพราะฉนจึงเรียกว่าสํารวมระวังตอนนี้พยายามสํำรวมระวังปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ตรงปฏิบัติให้เป็นธรรมปฏิบัติให้สมควรหกลมหกลุกเอาางกันไปแล้วทุกคนเป็นอย่างนั้นเวลามองเรื่องศีลเนี่ยอย่ามองที่พระปิทุสามเณรอย่างเดียวมองที่เราด้วยนะมองที่ศีลห้าของเราด้วยแล้จะเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องทําได้ไง่ายๆ สินบางอย่างมันเป็นสีลเฉพาะของพระชาวบ้านทําไม่ได้ผิดอะไรเพราะเมื่อพระธรรมเนี่ยถ้าเรายอมรับรพระก็คือคนเนี่ยไม่ใช่เทวดาจะสวงสวรรค์หรือพรหม ม, มมาจะพรห ม, มโลกเนี่ยท่านก็แพ้ตัวท่านเองก็เป็นกรรมของท่านเองก็ปล่อยไปตามกรรมและนี่คือสิ่งที่ ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะนะฮะแต่ถ้าเราดูหนังสือพิมพ์คนละนิดที่รู้เรื่องหนังสือศาสนาอยู่พอสมควรเนี่ยจะมีเหตุมีผลจะเข้าใจจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรและจะไม่พยายามสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นกับาศาสนาแต่พอดีคนของเราเนี่ยอาการหนักนะฮะอย่างพวกในกรมาศาสนาก็ดีพวกในกระทรวงก็ดีไม่รู้เรื่องาศาสนาแล้ชอบฟู่จเฟือย เวรกรรมของชาติบ้านเมืองนะฮะเวรกรรมของศาสนาด้วยเราพูดกระเลเขเท้าป่ากันไปเลยคือไม่รู้อะไรเป็นอะไรแปลกจริงๆมาทําไมไม่ศึกษาไม่สำเนียกกันมั้งอมเอี่ยมมากแล้วเนี่ยความรู้มันไม่ค่อยมีคือจุดที่มีปัญหาเนี่ยมีอำนาจมีตําแหน่งมีหน้าที่แต่ไม่มีความรู้นี่เสี่ยงนะฮะเสี่ยงมากชาติบ้านเมืองก็เสี่ยงก็คนเหล่านี้มาก เพราะนี้จะต้องมีพื้นฐานมาจากความรู้ดีความคิดดีความสามารถดีความระพฤตดีจึงเหมาะสมแก่คนที่มีตำแหน่งมีหน้าที่แล้วก็มีอำนาจพอระบบพร่องในอี4ข้อแรกแล้วก็จะมีปัญหาในภาคสนามการตรวมประการต่อไปนั้นเรียกอินเซียสงวนคือระมัดระวังใจของตอนเอง เวลาสัมผัสอารมณ์ซึ่งกระทบมาจากข้างนอกโดยการเห็นรูปวนตาเป็นต้นเนี่ยตลอดถึงการเหนียวนึกจุดนึกขึ้นภายในใจเราควคุมใจเอาไว้อย่าให้เกิดยินดียินร้ายมากเกินไปก็คงจะมียินดี ย, นดยินร้ายอยู่บ้างแหละแต่ว่ายังไงอย่าให้มากเกินไปเราก็กระทบอารมณ์อยู่ทุกวัน ยุคข้อมูลข่าวสารนุกสารสนเทศรับสื่อมาทุกรูปแบบแล้วแรงกระตุ้นให้เกิดราคาเกิดโลภะเกิดโทสะนี่มันมีมากในปัจจุบันวันท้าหากว่าแต้สำรวมระวังอินทรีย์สับ้างไม่พูดสะบ้างไม่ฟังสะบ้างไม่ดูสักบ้างคือหมายความว่าไม่รับค่าสับ้างไม่เปล่งออกไปบ้างเนี่ย อะไรมันจะดีขึ้นคนเราในเรื่องเหล่าเนี้ยเรื่องมางเรื่องเนี่ยบางเรื่องเนะฮะท่านแสดงว่าไม่รู้ไม่ชี้ก็ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้แล้วก็ชี้ไปเฉพาะเท่าทติดตนรู้อย่างหนึงก็คือรู้แต่ไม่ชี้อันนี้ก็ไม่ดีนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกรู้ด้วยแล้วก็ชี้ด้วยแต่ว่าชี้เฉพาะที่ตนรู้มันจะให้ความกระจ่างจะให้ตผลแก่ผู้ฟังที่ถูกต้องนั้นก็อยู่ที่การสํารวจมบูรณ์อย่าให้เกิดความยินดีนยินได้อีกอย่างหนึ่งก็เรียกขันติสงวนคือสมรวมระดับอดกั้นอดทนต่ออารมณ์ที่มากระทบจากข้างนอก เรื่องขันตินั้นเป็นเรื่องใหญ่พระเจ้าทรงแสดงว่าขันติปรมังตโปตีติกาขันติคือความอดกลั้นความอดทนในเป็นตะบ่าอย่างจริงคว่านอารมณ์ที่มากระแทกมาจากข้างนอกหรือถูกกระตุ้นมาจากการเหนียวนึกตึกนึกของเราก็ตามบางเรื่องเราต้อรู้จักข่มใจห้ามใจบรรเทาความคิดเหล่านี้ไว้ ความรุนแรงต่างๆที่มาจากข้างนอกหรือผสมผสานจากข้างในไม่อยู่ในวิสัยที่จะไปทําอะไรได้ก็กกปัญญามลดการอดทนลดแบ่งแล้วก็เรื่องวัเรื่องนี้ใช้สติสังวรคือสมบูวรณ์ระวังระดับมีสติระ ล, ลึกรู้อยู่ตลอดระ ล, ลึกได้ระ ล, ลึกทันนึกได้ในทุกๆเรื่องซึ่งการการเป็นการปฏิบัติที่ประนี่ขึ้นไป ผู้เจ้าสางใช้คำว่าสติมาแปลว่ามีสติหรือบางทีก็เรียกว่าสโตสติสติมโตเป็นผู้มีสติคือพูดที่ยังมีสติทำยังมีสติคิดยังมีสติสติกำกับการเคลื่อนไหวการพูดการทำของเราแล้วก็ให้ดีถูกต้องสมบูรณ์จริงๆ ก็ยญาณอสงบนคือสมบูรด้วยความรู้เท่าทันถึงความจริงคืออย่างพระพุทธเจ้าพระหานนั้นท่านเป็นญาณอสงบนที่สมบูรณ์คือสติสงบนที่สมบูรณ์ทุกป้อนทั้งๆทางทั้งห้าข้อที่ท่านสมบูรณ์อ่อนสมบูรณ์ก็เป็นอัตโนมัติมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าไปโดยอัตโนมัติเอทํานองคล้ายๆกับบอกภูเขาศิลาแทงทึบเนี่ย คนเอาอะไรไปฟาดบนภูเขาเอาการบัวไปฟาดบนภูเขามันก็เหนื่อยเปล่าจะไปทุบไปตีอะไรก็เหนื่อยเปล่าคือไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาตอนเหล่านี้จิตใจของท่านไม่วันไหวหนักแน่นมั่นคงบุุกภูเขาศิลาแทงถึกแต่ว่าเวลาสอนแก่สามัญชนส่งสอนในระดับของการใช้ความเพียรพยายามที่จะ สัรวมระวังตามบทบัญญัติของสิกขาบทสังรวมระวังระดับไม่ให้เกิดความยินดียินได้สังรวมระวังให้อดกลั้นอดทนต่ออารมณ์ซึ่งไม่ผงปรารถนาแต่มันก็เกิดขึด้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแรงกระแทกที่กระต้นให้เกิดรักสัง่งซึ่งสังรวมมาแล้วระดับสองเนี่ยฮะมันก็เอาไมา่อยู่ก็ต้องทบทวนแล้วก็ สติเนี่ยจะเป็นพึ่งสกัดกั้นก็นปิดกั้นเอาไว้จะเรียกว่าสติเตสังในวารณังสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากเอาไว้แล้วก็มีปัญญาเป็นแสงสว่างมันก็เหมือนกับสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่แสงสว่างเขาปรากฏกระจายออกไปเนี่ยความมืดก็เกิดขึ้นห่อหุ้มในสถานที่นั้นไม่ได้ถ้าแสงสว่างยังปรากฏอยู่ ภายในจิตใจของบุคคลเราก็มีลักษณะอย่างนั้นหรือถ้าจิตใจมันมีความรุ่งเรืองด้วยปัญญาด้วยสติด้วยเหตุผลคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนในขณะนั้นนั้นบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงสแสดงในข้อดเดียวเนี่ยโยนิโส ว, วิเจเนธมังปัญญาจะถางวิปัสสติ เมื่อบุคคลใดใช้ปัญญาพิจารณาอยู่โดยอุบายวิธีที่แยกคายถูกต้องเหมาะสมก็จะเห็นประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาของตัวเองเพราะปัญญาก็เป็นแสงสว่างในโลกผู้เจ้าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาคนพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยโดยเนื้อหาสาระก็คือเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาในแต่ละระดับ เพราะว่าพุทธะแปลว่ารูร้แปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานรุ่งก็อรู้ก็คือเรื่องของปัญญานเด็กๆต้องฟังท่าไหร่แต่เราเบปโธทิยานในวันนี้พอยุติไว้ได้เวลาถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังท่าไหร่ด้วยทัวกันสวัสดี